ข้อความในมหาปรินิพพานสูตรหน้าสามร้อยสาสิบข้อหนึ่งร้อยห้าสิบหกกล่าวถึงที่นึกถึงสถานที่นะที่มกุฏพันธนะเจดีคือสถานที่ประชุมพระเพลิงพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นมลปามโมกสี่องค์สะสงกล้าวหมายว่าสะผมอาบน้ำแต่งตัวเป็นอย่างดีเนี่ยนะนุ่งห่มผ้า ใช้ผ้าใหม่มีความดำเดชขึ้นว่าเราจักยังไฟให้ติดจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายคาอว่าพยายามที่จะประชุมเพลิงหมายว่าจะจุดไฟเผาเชิงตะกรของพระพุทธเจ้าแต่ไฟก็ไม่ยอมติดทํายังไงไฟก็ไม่ติดเงียบอยู่นั่นจุดยังไงก็จุดไม่ติดถ้าสมัยนี้บอกราดน้ํามันก็จุดไม่ติดอย่างนั้นแหละลำดับนั้น เจ้ามาละเมืองกุสินาราก็ได้ถามท่านพระอนรุธะว่าท่านพระอนุรุธะอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ให้มละปาโมกสี่องค์เหล่านี้ผู้สะสง์กล้าวแล้วนุ่งผ้าใหม่ด้วยดํมฤตว่าเราจักยังไฟให้ติดจิตตะกาทานแต่ก็ไม่อาจจะให้ติดได้ท่านพระอนรุธะก็กล่าวว่าดูก่อนวาสิทธาทั้งหลายพวกเทวดามีความประสงค์อย่างหนึ่ง เราคิดกันคนละอย่างกับเทวดาเมาืองกันมละปามโมกก็ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรคือเทวดาต้องการอย่างไรพระอนุรุธาก็ตอบว่าพวกเทวดามีความประสงค์ว่าท่านพระมหากัะสปะนี้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปท่านกําลังเดินทางจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุสินารา จิตตกาานของพระผู้มีพระภาคเจ้าจักยังไม่ลุกโผล่ขึ้นจนกว่าท่านพระมหากัสปะจะถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยมือของตนอันนี้แปลว่าเทวดาที่เป็นอุปถาของพระมหากัสปะไม่เอาด้วยเนี่ยนะต้องการให้พระธทระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ตัวเองเคารพเนี่ยได้มากราบไหว้พระสริระของพระพุทธเจ้าได้กราบพระบาทของพระพุทธเจ้าก่อน นในอันตถกาถาหน้า453บรรสามัทัดล่างบอกว่าเทวดาผู้เป็นอุปถาของพระมหากัสปาเิระความจริงเพราะจิตเลื่อมใสในพระสีติมหาสาวกเนี่ยนะตระกูลที่อุปถาประมาณ 80,000 ตระกูลของพระมหาสาวกเหล่านั้นก็บังเกิดในสวรรค์เพราะนั้นกลุ่มกลุ่มอุปถาของ พระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะก็ออกไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านเทวดาเหล่านั้นจึงเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระเถเรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าหยิบยื่นประตูสวรรค์ให้กับตัวก็เลยเลื่อมใสในผู้ที่ให้สวรรค์สมบัตินี้มากก็เลยปรารถนาว่าเอ้ในสมาคมพระภิสูจน์ตั้งเป็นเจ็ดแสนรูปเนี่ยนะในดีกาพระวินัยกล่าวเลยว่าพระพิสูจนที่มาร่วมงานถวายพระศรีระของพระพุทธเจ้าประชุมเพลิงเนี่ยนะ ตอนนั้นเนี่ยประมาณเจ็ดแสนรูปแต่ขณะนั้นนไม่มีพระมหาคสปะอยู่เลยคิดว่าพระเถระประจําตระกูลของพวกเราไปเสียที่ไหนหนอก็เห็นว่าพระมหาคสปะกําลังเดินอยู่ระหว่างทางก็พากันอธิฐานว่าเมื่อพระเทระประจําตระกูลของพวกเรายังไม่ได้ถวายบังคมพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอจิตตกาธานอย่าเพิ่งติดไฟเลยอธิษฐาน ย, ยังไม่ต้องติดหรอกเหมาอนั้นให้พระมหาคสปะกราบก่อน ก็เป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนเนี่ยคนอินเดียก็ไม่ใช่น้อยเลยเขาเขาเริ่อมใส่ในพระอุปนันทามากฉะนั้นตระกูลเนี่ยเขาจะนิมนต์พระพิสุไปฉันเยอะแต่ว่าต้องมีพระอุปนันธ์ด้วยรูปหนึ่งนี่พระอุปนันธ์เนี่ยความที่ท่านเป็นเป็นคนที่แบบคนอุปถัมภ์เยอะมากะนะกว่าโยมบ้านหนึ่งจะนิมนต์ไปบ้านหนึ่งเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงบ้านนั้นเอาแวะบ้านอื่นเยอะไปหมดเลย แล้วยมก็ไม่ยอมถวายอาหารพระที่เหลือด้วยนะต้องรอองนี้ไปถึงก่อนจึงจะถวายบางทีเนี่ยเลยเวลาก็มีองค์เหล่านั้นไม่ได้ฉันหรอกและพระอุปนันก็ไปฉันที่อื่นเรียบร้อยแล้วอุปถากเยอะเนี่ยนะมันอย่างนี้ก็มีเพราะเขาเลื่อมสายแบบเขาเรียกว่าถือเอาองค์หนึ่งไว้เป็นหลักเสร็จแล้วก็องค์ที่เหลือก็อุปถากไปอะไรไปแต่เขาก็ไม่ได้ไป คนคนสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ใช่น้อยก็เป็นอย่างนั้นอันเทวด า, าบุคคลเหล่านี้เมื่อเกิดในสวรรค์ก็ยังเรียกว่ายังอาลัยอาวรณ์ต่อพระเถระรูปนั้นเนี่ยนะอย่างเช่นพระเถระประจําตระกูลของพระมหากัสสปะที่เลื่อมใสในพระมหากัสสปะเนี่ยนะซึ่งผู้คนเหล่านั้นเนี่ยที่ฟังเรื่องว่าเล่ากันมาว่าพระมหากัสสปะ คือคือประชาชนเนี่ยรู้รู้ความประสงค์ของเทวดาเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็คิดว่าดูก่อนท่านภิกษุว่า ง, งั้นเราจะถวายพระบาทของพระทศพลพร้อมกับภิกษุห้าร้อยรูปดังนี้แล้วจึงมาเมื่อยังมาไม่ถึงจิตกาทานไฟก็ยังไม่ติดประชาชนอยากเห็นพระหมากรสปะขึ้นมา ท, ทันทีเลยพิเศษขนาดไหนถึงว่าไฟไม่ติดเลยนะจุดไม่ติดต้องรองให้องค์นี้มากราบ เออองนี้พิเศษยังไงเนาะเป็นพระเถระที่รูปร่างเป็นยังไงดําหรือขาวสูงหรือเตีย้ยเมื่อพิสูจน์เหล่านี้ดํารงอยู่ทําไมพระทศพลจึงประนีพานดังนี้บางพวกก็ซื้อของหอมดอกไม้เดินสวนทางมาบางพวกก็ตกแต่งถนนสํารวจทางที่พระหมหากระสาม า, าก็เรียกว่าพวกสอบแนมไปดูเลยเมื่อไหร่องค์นั้นจะมาสักทีหนึงหน่งดังนันรอกันอยู่นั่นแหละ ทีนี้ในหน้าส3 1าดลำดับนั้นท่านพระมหากัะสปะเข้าไปถึงมากุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามาละในกรุงกุสินาราและถึงจิตตกาธานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นเข้าไปแล้วก็ทําจีวอนเฉวียงบาข้างหนึ่งเรียกห่มผ้าเฉวียงบาเนี่ยนะประคองอัญชลีทั้งสิบนิ้วกระทาประทักศิณพระจิตตกาธานสามรอบ เสร็จแล้วก็เปิดพระบาทเอ่อเปิดทางพระบาทเนี่ยหมายว่าลงก็แยกออกมาเนี่ยนั้นก็แยกออกมาพระบาทพระพุทธเจ้าก็โผล่พลมาพระเทระก็ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียนกล่าวแม้ภิกษุห้าร้อรูปเหล่านั้นกระทําจีวรเฉียงบาปประนมอัญเชลีกระทำประทักศิณสามรอบแล้วถวายบังคมพระบาทาะพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียนกล่าว เราคําว่าอัทโขอิยสมามหากัสโปเยนะกุสินาราเปศิรสาวันดามติไอวันดิเนี่นะความว่าได้ยินว่าพระธีระกระทําประทักษิณจิตตกาทานพรางรำพึงกําหนดว่าตรงนี้พระเสียรตรงนี้พระบาทจากนั้นพระธีระก็ยืนใกล้พระบาททั้งสองแล้วก็เข้าจตุทชานะนะเข้าจตุทชานที่เป็นบาทของอภิญญาออกจากฌานแล้วก็อธิษฐานว่า ขอพระยุคลาบาทเท้าทั้งคู่ของพระทศพลซึ่งมีลักษณะจัดอันรอบด้วยซี่หนึ่งพันซี่ประดิษฐานแล้วขอพระบาทนั้นจงชำรกคู่ผ้าห้าร้อยคู่พร้อมกับทั้งชั้นสำลีรางทองและจิตาการทานไม้จันท์ออกเป็นสองช่องประดิษฐานเหนือเสียงกล้าวของข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิษฐานเสร็จพร้อมกับอธิษฐานนั่นแหละพระยุคลาบาทก็ชำระคู่ผ้าห้าร้อยคู่เป็นต้น โผ่ออกมาประหนึ่งจันทเพนออกในระหว่างพลาหกในเรียกว่ า, าพระพุทธบาทโปลออกมาเหมือนอะไรเหมือนดวงจันทพ้นเมฆหมกอกะนะพระเถร่ก็เหยียดมือทั้งสองเสมือนดอกปทุมบัวแดงเหมือนดอกบัวแดงที่คลี่บานแลว้วจับพระยุคลบาตรของพระาศาสดาที่มีสีเหมือนทองคําจนถึงข้อพระบาทเอวให้มั่นประดิษฐานไม่เหนือเสียงกล้าวอันประเสริฐของตนเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวอย่างนี้ โมมหาชนเห็นความอัศจรรย์ดังนั้นแล้วก็บรื้อสีหนาถกระห่มขึ้นพร้อมกันบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นแล้วตามความพอใจพอพระเระและมหาชนพิสูจ5 0ห้าร้อยรูปเหล่านั้นถวายบังคมแล้วก็ไม่มีกิจต้องอธิษฐานอีกด้วยอำนาจการอธิษฐานตามปกติเท่านั้นแหละพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีสีเหมือนน้ำครั่งก็คือแดงนะ คนจากมือพระเถระแล้วก็ไม่กระทําไม้จันเป็นต้นอะไรให้ไหวปฏิสถานอยู่ที่เดิมจริงอยู่พระยุคลบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกมาหรือเข้าไปใยสำลีเส้นผ้าหยาดน้ำมันชิ้นไม้ไม่เคลื่อนจากที่เลยทั้งหมดก็อยู่ตามปกติทุกอย่างแต่เมื่อพระยุคลบาตของพระตถาคตตั้งขึ้นหายวับไปเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์อัศดงคตมหาชนพากัน ร, ร้องให้ยกใหญ่ หน้าการุณายิ่งกว่าครั้งปรินิพานตอนปรินิพานเนี่ยมีแต่พระภิกษุอยู่ในวงม่านตอนที่พระพุทธบาทโผล่ออกมาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปลุกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งไอ้ตรงเนี่ยมหาชนเนี่ยร้องให้กระหงว่าครั้งนี้เรียบร้อยแน่เนี่ยนะเพลิงลุกแน่เมื่อท่านพระมหากรสปะเทระและภิกษุห้าร้อยรูปนั้นถวายบังคมแล้วจิตตาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โผล่ขึ้นเองอันนี้ด้วยเทวานุภาพนะ เมื่อพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้อยู่อวัยวะส่วนใดไม่ว่าจะเป็นชวีก็คือผิวจำมะคือหนังมังสะเนื้อนหารูเอ็นหรือพระลักิกาไขาข้อเท่าขม่าแห่งพระอวัยวะเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏเลยเหลืออยู่แต่พระศรีระอย่างเดียวเปรียบเหมือนอะไรเหมือนเมื่อเนอยใสและน้ำมัน ถูกเพลิงไหม้อยู่เข่าก็ไม่ได้ปรากฏฉันใดเมื่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้อยู่อวัยวะส่วนใดไม่ว่าจะเป็นพระชวีพระจำมะพระมังสะพระนหารูหรือพระลสิกาเท่าเข่าแห่งพระอวัยวะส่วนนั้นไม่ได้ปรากฏเลยเหลืออยู่แต่พระสรีระอย่างเดียวฉะนั้นเหมือนกันทีนี้บรรดาผ้าห้าร้อยคู่เหล่านั้นเพลิงไหมเพียงสองผืนเท่านั้นคือผืนที่ อยู่ข้างในสุดกับข้างนอกสุด น, นะสองเอ่อขอไปสียเก้คู่ที่เหลือไม่ไ ม, ไม่อะไรเลยที่อยู่ตรงกลาง น, นะเพราะฉะนั้นเมื่อพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไหม้แล้วท่อน้ําก็หลั่งไหลมาจากอากาศดับจิตตะกาารของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเรื่อไฟมาจากอากาศแม้น้ําก็พุ่งจากไม้สาระมาดับจิตตะการาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็ด้วยเทวานุภาพนะนะ พวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราก็ดับจิตตาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของด้วยน้ำหอมทุกชนิดนะนะในอั ธ, ธกถาบอกว่าคำว่าสมะเยวะพระควะโตจิตโกปัชเลนีนี้ท่านกล่าวด้วยอำนาจมองไม่เห็นใครๆผู้พยายามจะติดไฟก็จิตตาทานนั้นติดพึบเดียวโดยรอบด้วยอนุภาพของเทวดาบทว่าสรีรานวะ อวสิตสิงสุความว่าเมื่อก่อนได้ชื่อว่าสรีระเพราะตั้งอยู่โดยโครงร่างเป็นอันเดียวกันบัดนี้ท่านกล่าวว่าสรีระทั้งหมดกระจัดกระจายไปแล้วอธิบายว่าพระธาตุทั้งหลายก็เสมือนดอกมะลิตูมนะเหมือนดอกมะลิตูมอ่ะนะเหมือนแก้วมุกดาที่เจรไนแล้วเสมือนจุลทองคำที่ยังเหลืออยู่เหมือนผงทองอ่ะนะ จึงอยู่สิรีระของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนย่อมติดกันเป็นพืชเช่นกับแท่งทองคําส่วนศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานให้พระาธาตุกระจายว่าเรานี้อยู่ไม่ได้นานก็จะปรินิพานาศาสนาของเรายังไม่แพร่หลายไปในที่ทั้งปวงก่อนเพราะฉะนั้นแม้เมื่อเราปรินิพานแล้วมหาชนถือเอาพระาธาตุแม้ขนาดเท่ า, มาเมล็ดธัญญากรทำเจดีในที่อยู่ของตนของตนปรนิบัติ จงมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอเพราะฉะนั้นพระาธาตุแม้แต่ชิ้นเล็กเท่ า, มาเมล็ดพันธุ์อากาศในน้อยนั้นก็จงเป็นไปเพื่อสวรรค์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งคําถามว่าพระาธาตุอย่างไหนหรือส่วนไหนของพระองค์กระจัดกระจายพระาธาตุส่วนไหนไม่กระจัดกระจายตอบว่าพระาธาตุเจ็ดแห่งเหล่านี้ไม่กระจายคืออะไรพระเขี้ยวแก้วสี่พระราคะวันคือกระดูกไฮเปอร์ร้าในนะสอง แล้วก็พระอุณหิตคือตรงๆหน้าผากนะตรงหน้าผากนี้ก็ไม่กระจัดกระจายนอกนั้นกระจัดกระจายหมดบรรดาพระธาตุเหล่านั้นพระธาตุเล็กๆทั้งหมดเนี่ยนะมีขนาดเล็กที่สุดเท่าเมล็ดพันธุ์ประกาศขนาดใหญ่ขนาดเรียกว่าพระธาตุใหญ่เนี่ยขนาดเท่าเมล็ดท่าวสารหักกลางเรียกว่าใหญ่กว่านั้นขึ้นพระธาดใหญ่อย่างยิ่งเขาขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวหักกลางอันนี้ก็คือลักษณะพระธาตุที่ว่ากระจัดกระจายออกไปนั้นใหญ่เท่าไหร่ เมื่อพระศรีระของอเมื่อลำดับนั้นเนี่ยนะเมื่อที่เรียกว่าพระาธาตุเนี่ยดับเหลือแต่พระาธาตุอย่างนี้เสร็จแล้วครั้งนั้นพวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราทำสติบัญชรในสันธาคารแวดล้อมด้วยธนูปราการเรียกว่าถือเรียกว่าลลพลทหพลหอกเนี่ยมายืนเรียงพลธนูเนี่ยมาจัดเตรียมเหมือนกับกองทัพอารักขาโดยรอบเลยแหละเสร็จแล้วก็เมื่อจัดกองพลเนี่ยนะกองกําลังเพื่อรักษา พระทาบโดยรอบเสร็จแล้วก็สักการะเคารพนับถือบูชาพระศิริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าทําบุญเจริญกุศลอยู่เจ็ดวันด้วยการฟ้อนรําขับร้องประโคมด้วยดอกไม้และของหอมเนี่ยนะครับบูชาที่สุดเท่าที่จะบูชาได้ทีนี้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะเวเทหิบุตรเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินมคตเนี่ยนะเมืองราชครึก ได้สดับมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วในเมืองกุสินาราจึงส่งทูตมาหาพวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราเกิดว่าส่งกองทัพชนิดเร่งด่วนไปเลยนะเพราะว่าเดินทางแค่สิกว่าวันเนี่ยถือว่าไกลพอสมควรให้่ยถือกองทัพด่วนก็คําสั่งออกไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์เราควรจะได้ส่วนพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้าง เราจะได้ทำสถูปและทำการฉลองพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้านะ